คิดทำบุญกับทำบุญสำเร็จต่างกันอย่างไรคิดจะให้ทานแต่ยังไม่ได้ให้ทานยังไม่สำเร็จคิดจะรักษาศีลแต่ยังไม่มีเหตุการณ์พิสูจน์ศีลยังไม่สำเร็จคิดจะเจริญสติและเห็นว่าลมหายใจเข้าแล้วต้องออกยาวสั้นไม่เท่ากันแม้ยังไม่รู้สึกถึงความมิเที่ยงเลยการเจริญสติขั้นต้น สำเร็จแล้วถ้าคิดจะไปทําทานที่สถานสงเคราะห์จิตเป็นกุศลแล้วแต่ยังไม่ได้ให้ทานตามความตั้งใจทานยังไม่เกิดทานยังไม่สาเร็จทานยังไม่ปรากฏเป็นเงาตามตัวธรรมชาติแห่งกรรมยังไม่จัดคิวให้ผลต่อเมื่อไปให้ของไปช่วยเหลือตามความตั้งใจเสร็จสิ้นจึงเรียกว่าทานสำเร็จ ถ้าคิดจะรักษาศีลต่อหน้าหิ้งพระจิตเป็นกุศลแล้วแต่ยังไม่มีเหตุการณ์พิสูจน์ศีลที่ตั้งใจไว้ศีลเกิดแล้วที่ใจแต่การรักษาศีลยังไม่สำเร็จศีลยังไม่ปรากฏเป็นบา ร, รมีทาคุ้มตัวธรรมชาติแห่งกรรมยังไม่จำแนกชีวิตไปอยู่ในเขตปลอดการเบียดเบียนต่อเมื่อมีเหตุพิสูจน์ใจเช่นมีเรื่องน้าโกหกและไม่โกหก ระยับยังช่างใจทําตามความตั้งใจรักษาศีลไม่คิดยอกอย้อนกลับไปกลับมาจึงเรียกว่าศีลสำเร็จถ้าคิดจะเจริญสติในที่ใดๆก็ตามจิตเป็นกุศลแล้วและเธอรู้วิธีดูความม่เที่ยงเช่นเห็นว่าลมหายใจเข้าแล้วต้องออกลมหายใจเข้าออกแต่และรอบยาวสั้นไม่เท่ากัน ยังไม่รู้สึกถึงความไม่เที่ยงเลยแต่สติก็เริ่มเจริญบ้างแล้วที่ใจการเจริญสติขั้นต้นสำเร็จแล้วด้วยมุมมองที่ถูกต้องตรงทางสลากความถือมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของตนยิ่งสติเจริญมากใจยิ่งสะสมความเห็นว่าไม่เที่ยงมากและเมื่อเจริญสติสำเร็จบ่อยขึ้นรู้สึกถึงความมิเที่ยงภายในกายใจบ่อยขึ้น จิตก็สำเร็จบุญใหญ่ขั้นสูงสุดได้ทุกวันทุกที่ทุกนาทีแม้การเจริญสติเป็นบุญขั้นสูงสุดไม่ต้องรตระเตรียมไม่ต้องมีพิธีรีตองที่สุดแต่ก็เหมือนขั้นบันไดถ้าใครทำทานไม่สำเร็จรักษาศีลไม่สำเร็จก็ไม่มีบุญพอจะเจริญสติสำเร็จได้เลยเช่นกัน